แต่ถ้าบอกว่าเจตานาในมรรคที่ดับไปแล้วอันนั้นกันก็เอาเงินมรรคที่ดับไปแล้วแต่หมายถึงว่าเป็นปัจจัยแก่ผลม้องหลังๆเนอะแต่ในโลกุตละนั้นถ้าแยกออกเพราะว่าโลกุตละไม่เป็น กรรมวิภาวะไม่ไม่ได้เกี่ยวกันในนี้เพราะนั้นจะต้องพูดในแง่ของปัจจัยที่เป็นชาชาตาเออที่เป็นนานาคณิกากรร ม, มปัจจัยโดยเฉพาะแต่ถ้าในแง่ของที่ได้นานาคณิกากรร ม, มปัจจัยนี้คือเจตนาที่ในอกุศลแล้วก็เจตนาที่ในโลกยักุศลส7ส่วนตัวผลได้แก่โลกย่ายบาก32เจตสิกสาห้า แล้วก็ปฏิสนธิกรรมชรัชโรบยี่สิบที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิการนเนี่ยพราะคำว่านานาคขนโนเนี่ยนานาคโนนานคโนเนี่ยก็แปลว่าขนาดต่างกันเนี่ยชื่อว่านานาคณิกะไ อ, อตัวกรรมนั้นขนาดหนึ่งหมตัวกรรมที่เป็นกรรมมัพภาวะอกุศลกรรมมัาวะหรือกุศลกรร ม, มาพราวะนี่ดับไปหรือ ย, ยังดับไปแล้วขนาดหนึ่ง นา น, นักคะเนปวัตตังกรรมังนานักคณิกากรรมังธรรมที่เป็นไปในขนาดต่างกันชื่อว่านานักคณิกากรร ม, มะเนี่ยความบอกว่าเจตนาที่สําเร็จลงแล้วในขนาดต่างกันที่เป็นอดีตซึ่งเป็นคนและขณะกับอะไรขณะกับที่บังเกิดขึ้นแห่งปัจจุบันธรรมนั้นชื่อว่านานักคณิกาเนี่ยนะถามว่าตัวนา น, นักคณิกกรร ม, มะนี่เป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนนะอุดหนุนให้กระชาติเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย เจตนาที่จัดเป็นนานคกขณะกรรมมาปัจจัยหมายถึงเจตนาที่ต่างขนาดคือดับไปแล้วเป็นปัจจัยแก่ผลในภายหลังใช่ไหมผลคือชาติคือขันหนึ่งขันสี่ขันห้าที่เกิดขึ้นในภพนั้นนั้นเนี่ยเจตนาชนิดที่ทําหน้าที่นั้นเขาเรียกอะไรพีชะนะกิจจาไอ้พีชะนะกิจจาคือการทําหน้าที่เพาะพืชพันธุ์หรือเก็บรักษากระทำให้ให้ไม่สูญหาย เขาไอ้เจตนาที่เป็นนานักขิกากรรมมาเนี่สืบต่อมาจากเจตนาที่เป็นสาชาตกรรมนั่นแหละสืบต่อใช่ไหมว่าไอ้ตัวเจตนาที่อยู่ในศาสชาตกรรมเนี่ยถามบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเวลาไอ้ตัวอกุศลกรรมมรพว่าเกิดขึ้นใช่ไหมตัวเจตนาเป็นใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมไอ้เจตนาในนั้นพร้อมด้วยสัมพยุตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขาเนี่ยเป็นสาชาตกรรมไหมตัวกรรมกับตัวผลก็เกิดพร้อมกัน แต่ไปเกิดในอกุศลแล้วทํากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมให้เป็นไปเมื่อทํากรรมประเภทนั้นแล้วไอกรรมตนนั้นได้ได้โอกาสได้จังหวะใช่ไหมในการที่ผลิตวิบากของตนในภพใหม่เมื่อถึงภพหนึ่งก็ทําวิบาก ค, คือรูปขันธ์นามขันธ์เกิดขึ้นในภพนั้นๆัฉะนั้นการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นนั้นเ่ยมันมาสืบเนื่องมาจากสาชาตกรรม เพราะไอ้ตัวกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันจะทํำตัวมนเองไม่ได้ใช่ไหมก็จะต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนช่วยสนับสนุนอยู่แล้วถามว่าเจตนาอย่างเดียวต้องอาศัยจิตไหมต้องอาศัยจิตต้องอาศัยสมยุทธธรรมและต้องอาศัยปัจจัยอื่นเกี่ยวเนื่องอีกเยอะในกลุ่มสาชาตชาติใช่ไหมนั่นแหละมันก็สืบเนื่องมาจากสาชาตกรรมนี่นแหละแล้วก็มาทําผลให้เกิดขึ้นต่างขนาดจากตันเองอย่างพวกอย่างเราทั้งหลายใช่ไหมมาจากกุศล กรรมวาเพราะว่าไม่ได้ปฏิสนธิมาเนี่ยกุศลกรรมวาเพราะว่าเป็นเหตุในดีไหมเป็นเหตุทําให้ได้ปฏิสนธิชาติคือขันห้าที่เกิดในปฏิสนธิการไอขันห้าที่เกิดในปฏิสนธิการที่เป็นมนุษย์หรือเทวดานี่อันนี้เป็นผลแต่เจตนาที่เกิดก่อนนั้นเป็นนานาคณิกกรรมมันานักณิกกรรมมาปัจจัยไอตัวผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านานักณิกกรรมมาปัจจยุบันมองเห็นใช่ไหม นี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้เจตนาที่เป็นนานักสืบเนื่องมาจากสาชาตาวอกกล่าวคือเจตนาเจตสิกที่ทําหน้าที่สังวิธานกิจจากสังวิธานกิจจากคือตัวเจตนากับตัวเหตุกับตัวผลก็เกิดพร้อมกันไม่ใช่พีชานิธานกิจจากพีชานิธานกิจจากนี่หมายความว่าเพราะพืชพนันุ์เนี่มันเกิดคนละต่างคนละขนาดไอ้ตัวกรรมเกิดขนาดหนึ่ง ตัวผลของกรรมคือชาติเกิดอีกขณะหนึ่งมันต่างขนาดกันเลยแต่ถ้าสหาชาตากรริกมตัวกรรมก็เกิดเดี๋ยวนั้นนะ่ะผลของกรรมก็เกิดขณะนั้นนะ่ะเนนชยุทเน้นเพยุทธเห็นไหมเห็นไหมว่าเจตนาเป็นตัวสาชาตากรรมแต่ผัสสะเวทนาสัญญาและก็กลุ่มสังขารหลักฐานและวิญญาณขักฐาเนี่ยอันนั้นเป็นสัมปยุทธ เป็นสาชาตะกรร ม, มปัจยุบันเป็นผลของสาชาตะกรร ม, มแต่เพราะอาศัยสืบเนื่องตรงนั้นมาใช่ไหมกรรมตรงนั้นนั่นแหละที่ทําน่ยตัวสาชาตะกรร ม, มะที่ทําไปแล้วดับไปแล้วและไม่ได้เอาผลในขณะนั้นแต่เอาผลที่ต่างขณะกันอันนี้เป็นนานาคณิกกรรมนี่เป็นอย่างนี้ส่วนพีชานิษฐานิจจานเนี่ยเป็นการเก็บรักษาการกระทําที่ทําไปแล้ว การเก็บรักษากายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมที่ทําไปแล้วให้มีอํานาจในการที่จะให้วิบากเป็นไปในพบต่อไปได้อันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสังเออพีชานิทานชพเอพีชะนิทานกิจจะ น, นี่เป็นไปอย่างนี้นะจะก่อให้เกิดผลต่อไปในในในชาติต่อไปอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพีชะนิทานกิจจ่านี่หมายเอา ถ้าในเปนที่เป็นกรรมภาวะนีก็หมายเอาอากุศลเจตนาในากุศล12แล้วก็เจตนาที่ในโลกียกุศลแต่จริงๆตัวตัวองค์ธรรมของเขาเนี่ยเขามากกว่านะั้นถ้าเป็นนานักนิการกรรมถามว่าการก่อให้เกิดผลของนานักนิกากรรมวัจจัยนี่เป็นไปทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการใช่ไหมถ้าตัวเองจริงอะ่ะแต่ถ้าชาติเอาแค่ไหนเอาครั้งแรกถ้าเกิดขึ้นครั้งหลังๆต่อมา สัน ต, ติชาติเป็นต้นเนี่ยไม่เอาขณิกาชาติก็ไม่เอาเห็นไหมนั้นชาตินั้นเอาขนาดเดียวเอาขนาดเดียวเท่านั้นถ้าหลังจากนั้นมามันจะกลายเป็นอะไรชาลาบอรนะใช่ไหมมันจะกลายเป็นชร า, าแล้วใช่ใช่ไหมจ๊ะมันจะกลายเป็นชร า, าแล้วนี่เป็นอย่างนี้ดงั้นผลที่รับนั่งไหมปฏิสนธิการที่ได้เฉพาะชาติหน้าส่วนผลที่รับในประวัติการนั้นอันนั้นเป็น อันนั้นไม่เอานั้นไม่เอ า, เอาทั้งๆ ท, ท, ที่ได้เขาให้ได้ด้เขาให้ได้ด้ว ย, วยนี่เป็นอย่างนี้นะนั่นคือนานัคนี่กักรรมมาปัจจัยอันนี้นี่มองมองตรงนี้เสียจะได้ทำการเข้าใจสักหน่อยใช่ไหมว่าเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงเนี้ยส่วนชาลาและมรณะนะใน ส, มมสัมโมหาวิโนทนีอัตถะฐานิเทศคําว่าชาลาเนี่ยเขาแปลว่าอะไรคําคราอะไรคือค้าครารูปธรรม โดยเฉพาะแสดงไขอาการของชะลาไว้คือชิรณตาเนี่ยนะภาวะที่คลำคร่าคือแสดงไขกิจของการก้าวร่วงไปของชะลาไว้สามสั์ชะลาเนี่ยนะคันทิดจังภาวะที่ฟันหักปาลิจังภาวะที่ผมงอกแล้วก็วริตตัด จ, จตาคือภาวะที่หนังเหี่ยวยน่นศัพ์นี้ท่านจะแสดงไว้เนะมีอะไรบ้างครับฟันหักผมหงอกหนังเหี่ยวยน่นเนี่ยในสามสั์เนี่ย แสดงชาลาอันปรากฏว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏแล้วเดิมหน้าแห่งการแสดงวิการเหล่านั้นคือวิการะคือการแสดงออกให้เห็นใช่ถ้าถ้าอย่างนี้เห็นชัดโดยเฉพาะกลุ่มไหนเห็นถ้าเทวดาจะไม่มีนะจะไม่มีอย่างนี้เทวดาไม่มีฟันหักไม่มีผมหงอกไม่มีหนังเหี่ยวย่นแต่มีเศร้าหมองแต่สย่งสัตว์โลกเราเห็นเห็นชัดแล้ว ตอนนี้เริ่มหรือยังฟันเริ่มหักหรือยังผมงอกหรือยังงอกแล้วเนี่หนังเหี่ยวย่นจะในนี้ก็เรียกชลาชลาปรากฏแล้วท่านเปรียบอย่างนี้เปรียบสเสมือนทางเดินแห่งน้ำแล้วก็ไฟหรือลมวนะงั้นไอชลาเนี่ยนะย่อมปรากฏด้วยภาวะที่ต้นไม้ที่หักโครนและเนรนาฏหรือถูกไฟไหม และเดอและทางเดินนั้นไม่ใช่น้ําเป็นต้นเหล่านั้นเลยฉันใดบอกว่าทางเดินของชะลาก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมปรากฏที่ฟันเป็นต้นที่จริงก็ปรากฏที่ฟันเลยที่หนังเลยที่ศรีรษะนะก็จะปรากฏในลักษณะอย่างนี้ถ้าหนังนี่คมหมดนะหนังนี่มันคมสรีล่าทั้งหมดใช่ไหมสลีล่ากาวขึ้นหนังเนี่ยถ้ามันเริ่มเหี่ยวแล้วแสดงว่านั่นแหละมันปรากฏ อันนี้คืออาการชลาที่เห็นเห็นชัดอันนี้ถ้าพูดถึงก็พูดถึงเนินฐานะน า, นารูปประชลาเนะีแต่ลักษณะที่มีอาการฟันหักเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะของชลาเนี่ยนะฉลาทมรณนนี่ยหมพระพุทธองค์แสดงไว้เป็นปกติของชลาว่าความเสื่อมแห่งอายุความความแก่รอบแห่งอินทรีย์ในปฏิจจสมบัติพังแสดงเขาไว้ในเล่มเนี่ยปฏิจจสมบัติพัง เนี่ยในเรื่องนี้จะแสดงปฏิจสมบาติเขา้าไบอกว่าในชราและมรณะทั้งสองอย่างนั้นชราเป็น ช, ชไหนคความเก่าความค้าค่าการที่ฟันหักผมงอกหนังเห ย, ยื่อย่นความเสื่อมพร้อมแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์มีจักขูเป็นต้นก็แปลความแก่รอบของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะจากขุนรีโสตินรีคานินศีเนี่ย จิวิณซีแล้ว ก, กายินซีเนี่ยในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดอันนั้นเรียกว่าชลาในในชราและมรณะทั้งสองอย่างนั้นมรณะเป็นอย่างไรความจุดติความเคลื่อนไปความแตกทําลายความหายไปมฤรตยูความตายการทํากาละความแตกไปแห่งขันความทิ้งซากศพไว้ความขาดไปแห่งชีวิตตินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆอันใดอันนั้นเรียกว่ามรณะ ลักษณะของในองค์ปฏิจสมบัติที่แสดงว่าชาติปัจจญาชรามรณังโสกะปริเทวทุกขโทมนาสสะสัมภวันติก็แปลความว่าชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนาสสะอุปาญาติทั้ง7ประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายชาติเป็นเหตุใช่ไหมอาศัยชาติเป็นเหตุชราที่เป็นที่เป็นผลของชาติเนี่ยได้แก่ความแก่ของอะไรได้แก่ความแก่ ของโลกภยัยบากและกา ร, รมชรูปเมื่อวิบากและกา ร, รมชรูปเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นชาติแล้วย่อมมีขนาดที่ตั้งอยู่อขนาดที่ตั้งอยู่เรียกว่าอะไรถีติขนาดทติขนาดของโลกภยัยบากและกา ร, รมชรูปนี้เรียกว่าอะไรการตั้งอยู่ของที่เรียกถีติขนาดของโลภยัยบากและการมชรูปการตั้งอยู่ของเขานี้เป็นเรียกว่าอะไรเรียกว่าชาลาคีระนังชาลาความแก่ของวิบากนามขันสีและนิพันธนรูปชื่อว่า ชลาชาลาตัวนี้นะมรณะที่เป็นผลของชาตินั้นได้แก่อาการที่กําลังดับของโลกยายบากและกรรมชรูปที่เรียกว่าพังคักขณะวจนะถามมาจากคําว่ามริยาเตมรณะเนี่นะความตายคือการที่ดับไปของโลกยายบากและกรรมชรูปชื่อว่ามรณะชลาและมรณะในที่นี้เอาเอาขนาดไหนดีเอาขนาดไหนดี เอาพบหนึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือเปล่าหรือเอาในพบนั้นก็ได้มรณะในพบนั้นได้ไหมแตกดับทุกขนาดนี้เอาได้ไหมความตายคือการที่กําลังดับของโลกย่ำยิบากและกามชรูปใช่ไหมองค์ธรรมของมรณะที่กล่าววันนี้เหมือนกับองค์ธรรมของชาติที่เป็นเช่นนี้เพราะชาติชรามรณะ ท, ทั้งสามเนี่ยส่งเคราะห์เข้าในไหนในวัดไหนในกรรมวัดวิปากวัดหรือกิเลสวัดจัดเป็นหวิปากวัด ฉันในปฏิจนุบารวิพังที่แสดงสุดตันตะภาชนียในแสดงความหมายของชลาและหมรนะบอกว่าความแก่ความคล่ำคล้าความที่ฟันหลุดผมหงอกหนังเหี่ยวย่นใช่ความเสื่อมแห่งอายุความแก่รอบแห่งอิศีมีจักขุมีทางตาเป็นต้นในหมูสัตว์นั้นๆของสัตว์นั้นเรียกวาฉลาเนี่ยความจุดติความเคลื่อนไปจากพบความแตกทาลายความหายไปมรรตยูยความตายทางการทากาละ ความแตกแห่งขันความทิ้งซากศพไว้การขาดไปของอินทรีย์ของหมู่สัตว์นั้นของเหล่าสัตว์นั้นเรียกว่ามรณะฉะนั้นชาลาและมรณะในปฏิจจสมบัติวิพังนี้จะหมายเอาความแก่และความตายของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสมมติกันอยู่ในโลกนี้ก็ได้คือต่อจากชาติคือความเกิดขึ้นเป็นต้นไปจนถึงตายชื่อว่าชร า, าได้แก่โลกย่ยบากและกรรมชืรูปจิตเชรูปอุจตุชรูปและ อาหารชรูปในที่นี้เขายังไม่ได้ระบุลงไปนะเอาได้หลายในในขณะสัตว์ทั้งหลายนั้นชื่อว่าบอกว่าในขณะที่สัตว์ทั้งหลายตายอันนั้นเรียกมรณนะความตายของโลกเ ย, ยบักกรรมฉรูปจิตแต่ฉูปอาหารชิรันติชินาพาวางังคัชชันติเอเตยาติชราเนี่ยสังฆธรรมทั้งหลายย่อมถึงความแก่โดยอาศัยธรรมชาตินั้ น, น, นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้ถึงความชราของสังขาร ยังชื่อวชะาเนี่ยส่วนมรณันติมรันติสัตตาเอเตนาติมรนังเนือสัตว์ทั้งหลายย่อมตายโดยอาศัยธรรมชาติเท่นั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการตายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามรณะองค์และท่านก็จัดชรลาเก้าอย่างเข้าไวลองดูชะลาเก้าอย่างวายโยวุธทีชรลาอันนี้หมายถึงความชรลาที่เกิดขึ้นในลําดับแห่งวัย ผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวยน่นเส้นเอ็นปรากฏดและหลังโกงเป็นต้นอันนี้ชรลาเหล่านี้มาในไหนมาในปฏิจจสมุปบาทวิพังในสุตตันตบิดอกนะในพระสูตรอันที่บอกถึงอาการปรากฏข้างนอกเลยเนี่ยอันนี้มาในพระสูตรนะไม่ใช่ในยะของพระพิธรรมถ้าในยะพระพิธรรมนั้นจะไม่บอกอาการบอกว่าฟันหักความข้ามค่าผมงอกหนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมแห่งอายุเป็นต้นไม่บอก หรือว่าความเคลื่อนจากพบความแตกทําลายความหายแปลมริทายุความตายการทํากาละก็ไม่บอกใช่ไหม ก, ก็จะต่างกันอย่างอันนี้เป็นในสุดในปฏิจจสมบาติวิพังเออที่ทิ้งไม่ใช่ข้อภัยนะปฏิจจสมบัติวิพังเนี่เป็ น, เ ป, นเป็นอภิธรรมวิดอกนะไม่ใช่เป็นพระสูตรแต่ท่านกล่าวตามในยะสมมุติอย่างนี้ท่านกล่าวอย่างนี้เพราะว่าในปฏิจจสมบาทวิพังออไม่ไดเอามา นี่ไงในเล่มนี้ถ้าในแบบ91เริเล่มก็เล่มที่71็7เจเนี่ยก็จะกล่าวเกี่ยวในเรื่องของลักษณะของชรลาเขาไว้ก็จะกล่าวชรลาเขาไว้ว่าเออเป็นยังไงเพราะในนี้จะแสดงปฏิจจสมบัติเขาไว้ปัจจยาการวิพังเนี่ยเนี่ยแสดงเขาไว้สันติตชรลาคือความแก่ของรูปนามที่ติดต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงตายเนี่ยพบหนึ่งนะการเกิดขึ้นสืบต่อกันไป ของพบหนึ่งอีสันตติชาลาเอาขนาดชาลาหรือเอาขนาดบารณะดูให้ดีนะเนี่ยสันตติชาลานี่เอาอะไรเอาความแก่นะแก่เอาแงไหนะเอาขนาดดับหรือเปล่าเอาสืบต่อพบหนึ่งหนึ่งไปเลยนะเอารวมไปเลยเนะนี่ยคณิกาชาลาคือถีติขนาดของรูปและนามที่เกิดดับสืบต่อกันโดยอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้นับยังไงเนี่ยนับยังไงเนี่ยถ้ารูปเห็นหน่อยไหม ถ้ารูปเห็นนะทีติขนาดของรูปเนี่ยแต่ของนามจะดูยังไงอ่ะขณะเดียวเองน่ยต้องดูอย่างนี้ถ้าหากว่าถีติขนาดของรูปมันจะตั้งนานหน่อยใช่ไหมก็จะเห็นใช่ไหมไอ้ช่วงนั้นจัดเป็นชลางก็นึ่จัดเป็นชลาอุปาทขนาดอันนั้นไม่นับพังคขนาดไม่นับเอาถีติขณะเห็นชัดหน่อยแต่ถ้าถีติขนาดของนามเลยแป๊บเดียวเอาขนาดนั้นเน่ยเห็นไ้มน่ะฉลาอยู่เป็นยัง อย่างทีตรงนี้มีสามนะ้อปลาถ้าไม่เอาเอ า, เอาทีฏฐิไงทิติเอาไปเอาชาลาไปเลยของนามธรรมาปากระตาชาลานี่ชาลาที่ปรากฏชัดอันนี้ก็คือฟันหักหนังเห ย, ยื่อย่นโค้งงอของสรีละปฏิชนะชาลาความชาลาที่มองไม่เห็นอะไรนมองไม่เห็นนามม า, นามมาทำนามมารมนี่มองไม่เห็นนะอาเวจีชาลา ชลาที่ไม่แสดงให้รู้เช่นความเสื่อมชาาของภูเขาผ้าทิศพระจันทร์แล้วก็ความชาาของเด็กแล้วก็คนหนุ่มคนสาวเป็นต้นจริงๆคนหนุ่มคนสาวมีชราแต่ชาาเหล่านั้นไม่ปรากฏพผ้าทิศก็ชาาใช่ไหมผ้าทิตย์ก็ชาาภูเขาก็ชาามีชาาหมดแต่มันไม่ปรากฏนี่เป็นอย่างนี้นะไม่ปรากฏสวิจิชาาคือความชาาที่แสดงให้รู้ได้เช่น ชาาของบ้านของรถของเรือนเนี่ยนะสถานที่ต่างๆหรือต้นไม้ไอ้นี่แสดงให้รู้ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตปรมาทิติชราคือทิติขณะของน้ำรูปเช่นเก็เหมือนกันกันกบคณิกาดชราปัญญติชราก็คือความชาาต่างๆที่นอกจากทินิกาดชาาที่บัญญัติขึ้นนะในชาลาเก้าอย่างนั้นว่าโยวุธิชราคือชาาโดยวัยจําแนกออก เป็น3มอย่างหรือ10อย่างเป็นปฐมวัยอายุ25ปีตั้งแต่เกิดนะไปถึง25ทุ25 50. ติยวัย2ี่0ิาถึงตาติยวัยก็คือ50จนถึง75อันนี้ตามเงื่อนไข ข, ของท่านตามเงื่อนไข ข, ของร0 0ปีก็จะนับไงอย่างละ10อย่างละสิบนี่เขาแสดงถ้าในวิสุทธิมตรตท่านจะแสดงเกี่ยวในเรื่องของวัยต่างๆเหล่านี้ไว้เหมือนกันเนะมันด ท่าสกาวัยนี่วัยอ่อนคือตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงสิปีวัยนี้วัยอ่อนมีชร้ายยังไงว้ยนี้มีแล้วคิดดาท่าสกาวัยนี้วัยสนุกถ้าวัยสนุกก็20ปีถึงสาสปีย้เจีบอยู่วัยนี้ปะยังไม่สนุกใช่ไหมเลยสนุกยังวันณะท่าสกาวัยคือวัยสวยงาม ย0 3สิบถึงสามสิบใครเลยใครเลยสามสิบยังเนี่ยจากยี่สิบสาสิบยังพอดูสวยๆหน่อยคนยุคนี้ปัญญาทัศกาไวไวมีปัญญาสี่สิบถึงห้าสิบบางคนบอกเออคอยยังชั่วก็ั้นะไวมีปัญญาก็กวัยเนี้ยเ อ, อ๊ะทำไมไวัยสี่สิบถึงห้าสิบถึงบอกไวมีปัญญา<ม>คือจริงๆแล้วถ้าลองศึกษาเรียนรู้มาทวกนี้จะเริ่มประ ม, มวลสิ่งที่เรียนมาได้ดี ตั้งแต่40ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มตรึกสิ่งที่เรียนแล้วจะมีความเข้าใจอะไรได้แยกแยะอะไรเริ่มเริ่มดีขึ้นซึ่งตอนวัยก่อนหนะ้านั้นถ้ารับก็รับอย่างเดียวนะรับด้วยความเพลิดเพลินโดยส่วนมากนะแต่ถ้าหากว่าเกินนั้นแล้วก็จะเริ่มวิเคราะห์เจาะลึกอะไรต่างๆนะเริ่มเริ่มมีแล้วงั้งจากสี่สิถึงห้ท่านต้งบอกปัญญาเริ่มเป็นวัยมีปัญญาหานิสกาวัยหานิสกาวัยวัยเสื่อม50ถึงหกิ เริ่มมีเหลาเข้าไปแล้วตอนนี้ยยอมหมูได้กี่ปีดิจะ ไ, ได้ไม่เสื่อมเหลือกี่ปีเหลือสี่ปีเสื่อมแล้วต้องรีบเร่งนะยะเสื่อมก่อนพอคุยอย่างนี้ยอ ม, มอเสียมองย้อนทาไมเหลาแย่เอยหาหนิสกาไวานี่คือวัยเสื่อมห้าสิบถึงหกสิบปีเท่าไหรแล้วเสื่อมไว้เสือเส่อมอไม่แปลกกันนะแต่ต่อไปไม่ว่ากนะันแล้วเสื่อม <c oughs> เน้นเท่าไหรนะ่เน้น <c oughs> สินี่โอ้นี่วัยสนุกเนี่ยเพราะงั้นเองไม่ค่อยใส่ใจเรียนเท่าไหร่ม <c oughs> องยังสนุกอยู่เนียปัภารทัทศกววัยวัยที่กะที่ร่างกายเริ่มโค้งแล้วหกสิบเจ็ดสิบเริ่มงอแล้วสรีละเริ่มงอนเอาสิใครต้องการจะอยู่ถึงหกสิบก็แปลว่าต้องการจะดูหลังตัวเองโค้งอ ขาเริ่มงออะไรเริ่มโคดงอหมดเลยนะมันให้อะไรเรามาในชาติเนี่ย้ให้ชลาเนะชาตินี้ให้ชล า, าไหมวังกะทัสกะวัยวัยที่ร่างกายโค้งเนี่ยนะเจ็ดสิถึงแปดสิบตรงนี้โค้งแล้วไม่ใช่เริ่มโค้งเนะี่มันโค้งจริงๆเลยโค้งแล้วโค้งแล้วโมมูหทะทัสกะมะวัยเนี่ยวัยหลง 80-90 หลงโดยส่วนเดียวไอ้ที่ไม่หลงหายากยังไงก็หลงแล้วก็สยนะทาสกาวไววยนอนเจ็ดอันนั้นโค้งแล้วโค้งงอแล้ว 80-90 เนี่เขาเรียกโมมูหะทาสกาวไววยหลงเนี่ยถ้าศิทสยนะท่าสกาวในนะยนะวยวนอน 90-100 รปีเนี่ยวยนอนนะน ฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทนี้คำว่าชลาในมุ่งหมายเอาวโยวุธิชลาเนว่าวโยวุธิชลาคืออะไรวโยวุธิชลาคืออะไรคือความชลาที่เกิดขึ้นตามลำดับแห่งวัยเช่นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเส้นเอ็นปรากฏหลังโก่งเป็นต้นเนี่นะวโยวุธิชลาเป็นอย่างนี้กับปากตะตาลา ถ้าปากตาษชลาก็คือชลาที่ปรากฏชัดปรากฏชัดและชลาทั้งสองอย่างนี้เป็นชลาที่เกี่ยวกับรูปธรรมเท่าทนั้นชลาเหล่านี้ไม่มีในานามธรรม ว, ว่าโยุทธิชลานี้ย่อมไม่มีแก่พวกเทวดาและพรมทั้งหลายเพราะเพราะมีกรรมชรูปเป็นพื้นฐานแน่นหนากว่าอุตูเชรูปและอาหารและชะื้อรคใช่ไหมพวกพรมนี่เขามีอะไร เป็นพื้นฐานหนานแน่นกรรมชรูปหนาแน่นกว่าอุตุชรูปและอาหารชรูปเนี่ยไม่หนาแ น, น, น่นกรรมมชรูปรูปของเขาจึงละเอียดไงเกิดขึ้นจากกรรมที่ละเอียดอ่อนมากใช่ไหมกรรมนั้นจึงเป็นจึงเป็นตัวจัดสรรกรรมชรูปของพวก ร, รูปภพทั้งหลายรูปภพจึงไม่มีวาย ว, วุธทิชาราปลากระตาชราเหล่านี้เป็นต้นไม่มีเลยไหมพรอมจะไม่มีชราปรากฏไม่มีชราปรากฏแต่ถ้าพวกเราทั้งหลายมีอะไรหนาแน่น อุตุชลูปหนาแน่นเมื่อเช้าถามไปแล้วว่าอะไรหนาแน่นอุตุชลูปก็อาหารชลูปหนาแน่นไหมหนาแน่นมากหนาเน่นจนเริ่มปรากฏชัดเนี่ยเวลากินอะไรก็ต้องกินเยอะๆะนะต้องเอาต้องเอาการ์โกไรอาหารอัดไปเยอะๆยใส่ไปเยอะๆเพื่อจะทำมันก็ทําให้มันอุออ้รูปเหานี้ก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยใช่ไหมหนาถ้าไม่หนาแน่นอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้รองรับสภาพอุตุไม่ได้อีก นี่เป็นอย่างนี้เลส่วนมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายกรรมชโลปมีน้อยกว่าอุตุชรูปและอาหารชโูปวโยวุทิชลาจึงปรากฏนะเพราะโยวุทิชลาคือชราที่พระไอชราที่เกิดฟันหักเหนียงหลังเหี่ยวย่อนอะไรต่างๆนี่มันมาจากอุตุชโลภมันมาจากอะไรอาหารอะไรชโลเป็นส่วนมากใช่ไหมเป็นปัจจัยทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเห็นชัดนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ พอพูดถึงในเรื่องของชราเนี่ยนึกถึงสูตรหนึ่งนะตอนที่พระพุทธเจ้าอายุแปดสิบตอนนั้นนะนะคนแปดสิบนี่จริงๆแล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยวัยอะไรเนะี่ยวัยหลงแต่พระพุทธเจ้าหลงไหมไม่หลงเลยพระพุทธเจ้าไม่หลงถึงจะอยู่เป็นร้อยเวรหลายปีกี่ปีกี่ปีก็ไม่หลงเพราะกรรมมชรูปคุณภาพของกรรมภาวะที่สั่งสมมาได้กรร ม, มชรูป เป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นกรรมชฉลิชั้นดีก็ขนาดกรรมชฉลปชั้นดีนะมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าพึงพึงแดดพึงพระวรากายนะปลดสังคปดปดปดย้อนออกก็ให้พระวรากายรับแดดอ่อนๆถามว่าพระพุทธเจ้าต้องมีรัศมีอยู่ตลอดไหมมีอยู่ตลอดหนึ่งวันเนี่ยไม่มีใครสามารถจะทําลาย พระรัศมีของพระพุทธเจ้าประมาณวาหนึ่งได้บุคคลที่จะไปทําลายได้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้บุคคลที่อ้างสัจจวาจาคํานี้ให้พรคนอื่นยังได้บุญเลยยังสมฤทธิผลได้นะเพราะอันนี้เป็นความจริงลําดับแรกเขาอ้างอะไรรู้ไหมอ้างบอกว่าไม่มีบุคคลใดทําอันตรายพระพุทธเจ้าได้เพราะชีวิตก็ทําไม่ได้หรือจะทําลายสัพพัญญตญาณของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช่ไหมทําลาย ศารปัญญธยานของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หรือทําลายเนี่ยพระรัศมีที่ออกวาหนึ่งของพระพุทธเจ้าไม่มีใครไปทําลายได้เอาเวลาแสงพระอาทิตย์สาดส่องเข้าไปกระทบไหมก็สาดส่องเข้าไปแล้วก็ทําให้กายอุ่นได้ตรงนั้นน่ะพระอนนทเห็นเห็นรอยเหี่ยวเห็นรอยชลาท่านพระอนนท์ก็บอกว่าโอ้โหบอกอัศจรรย์จริงเนาะเนี่ย น่าอัศจรรย์จริงเนาะแม้พระรูปพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความงดงามถึงปานนี้ก็ยังมีชราปรากฏพระพุทธเจ้าดูก่อนนาะโ น, นหน่วยกั้นเนเธอจะไปอะไราอวอเนตร่างกายกร่างกายนี้เป็นอย่างนี้มีความชรามีความมรณะเป็นที่สุดอะไรก็แล้วแต่นะที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างเงี้ยท่านขยายบอกว่าชราของพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะ ถ้าสายตาอย่างเราเรามองไม่เห็นเลยมีขีดนิดเดียวเดียวนั้นเองมีรอยขีดอยู่น้อยประมาณปลายเข็มอะที่มีย่นอยู่นิดประมาณปลายเข็มเดียนั้นแต่เป็นเส้นผมอะเขาท่านบอกว่าเส้นผมแต่พระนนทน์เห็นเพราะปกติจะไม่มีย่นเลยแม้แต่นิดเนะี่แต่นี้มีมีเป็นรอยขนาดเส้นผมอะพระนนอนุทานออกมาอุ้ยอัศจรรย์มากบอก พวุลกายที่ประกอบด้วยมหาบุริสระขนาเนี้ยังมีความย่นอยู่นิดเนี่ยมีความย่นอยู่นิดนึงถ้าของเราหูย่นไปหมดเลยนะดูตรงไหนก็ย่นย่นยนหมดั้นชลามันออกหมดเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างเนนก็ย่นใช่ไหมถ้ามีรอยย่นนิดหนึ่งแสดงว่าน่าชลาหนังเหี่ยวย่นไงก็แสดงว่าเจ้าเนี่ยหนังตึงหมดเลยไม่ไม่ไม่ย่นเลยอะไม่ย่นสักนิดเนี่ยขณะอายุ80สบมันมียุ่นนิดเดียวเหมือนกับว่าเส้นผม โอ้โหนะนี่ไงเนี่ยขนาดแปดสิบนะมีรอยย่นเท่าเส้นผมเท่านั้นแหละเนี่ยถือว่าผ่านนนยังอัศจรรย์ใจวอู้ยังย่นได้แต่ถ้าถามอย่างเราเราละกำหนดชราในพระสรีระของพระพุทธเจ้าไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นเห็นนะ่ติดอย่างเดียวเห็นแล้วชื่นชมอย่างเดียวแต่สรีระของพระพุทธเจ้านั้นก็มีชราปรากฏเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะนี่เป็นอย่างนี้ ถ้าอย่างเราก็ตามวัยก็ว่าไปเถอะวัยอ่อนวัยสนุกวัยสวยงามวัยมีกําลังวัยมีปัญญาวัยเสื่อมวัยที่กายเริ่มโค้งวัยที่ร่างกายโค้งแล้ววัยหลงวัยนอนเนี่ยในสิบวัยนั้นนะนะก็ว่าไปตามลําดับใครอยู่อายุปันไหนขนาดไหนก็ตั้งอยู่ในชะลาในลักษณะเช่นนั้นไปพอพูดถึงบางคนบอกวัยเสื่อมนี่จะถึง50นี่ตกใจกั้นนะเนาะตกใจไม่ตกใจเนย พอไปถึงวัยคองเนี่ยเริ่มเลยแต่ยังถามไวัยไหนทิศถี่มากที่สุดเนี่ยไวยไหนเริมมกมากเลยิที่วัยแก่ก็มากแกย่นีในในนครสูตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับในเชตวันนรามของนาถาปินธิกาเศรษฐีใกล้กรุงที่กรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแหล พระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ก่อนแต่การตัดรู้เรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัดรู้เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้มีความลําบากเ no. น้ะนี่พระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรตอนนั้นย่อมเกิดแก่ตายจุติเลอบัตเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งทำเป็นที่สลัดออกจากกองทุกข์คือชคาะ ล, ละมรณะนี้ได้เลย เมื่อไรโนเนี่ยทาที่เป็นขี่สรัดออกจากกองทุกคือชารามราณะนี้จักปรากฏเวลาเราเรียนชาราและมราณะเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าดำหลี่มาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วแล้วเล่าอดีตทดหลังให้ภิกษุฟังว่าอะไรนโลกเนี่ยลำบากเพราะความเกิดความเกิดความแก่และความตายเนี่ยมันลำบากว่าอย่างนี้คำว่าโลกในที่นั้นคือสัตว์โลกลนะ สัตว์โลกเนี่ยลำบากเพราะเกิดแก่ตายนะ่ยไอ้เกิดแก่ตายเนเี่ยนะเนี่ยสัตว์โลกมันลําบากเพราะอย่างนี้มรณะมีเก้าอย่างสมมุติมรณะคือความตายของสัตว์ทั้งหลายที่สมมุติเรียกขานกันคนนั้นตายคนนี้ตายเป็นต้นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกสมมุติมรณะตายโดยสมมุติแต่ถามว่าคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วนี่สมมุติไหมจริงๆตายจริงไหมเนี่ยตายจริงป่ะไม่จริงคนไม่ตายหรอก สัน ต, ติมรณะนะคือการสืบต่อของน้ำรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งมั่นคงที่สันตติมรณะนะรูปน้ำที่เกิดขึ้นจากความไอคําว่าสันตติมรณะนะเนี่ยไอความเสียใจเนี่ยคงที่ไหมความร้อนความเย็นมันไม่คงที่แลยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันตายไปตลอดใช่ไหมลักษณะเ น, นี้ยอันนี้ก็เรีกสัน ต, ติมันสืบต่ออยู่ตลอดเวลาองนั้นเดี๋ยดีใจกลุ้มใจอยุอยงไง ขันนีการมราณะคือความดับของรูปนามทุกๆุกพังคักขณะขันนีการมราณะนี่เคยบรรยายในะความเกิดดับของรูปนามทุกๆุกขณะเออเอาเป็นอารมณ์ของมราณานุสติได้ไหมขันนีการมราณะได้หรือไม่ได้ทุกขณะเลยอะ่ะไหวไหมไม่ได้ใช่ไหมไหวไหมออไม่สามารถกําหนดได้หรอกขันนีการมราณะสมบเฉ์ถ้ามราณะการปริญิพานของพระอรหันต์ที่ไม่มีการเกิดต่อไปอีก ทำไมจึงเป็นอารมณ์ของมรณานุสติได้ไม่ได้ไม่สาธารณะกับบุคคลทั่วไปการตายแบบนี้เป็นการตายของพระละหันจํากัดบุคคลนะนะจำกัดบุคลนะนะบคลเท่านั้นถามว่าไปพิจารณาแล้วจะสลดสังเวชใจได้ไหมเพราะการตายของพระอะหันคือการปรินิพานนะท่านดีใจดีจมั้ยพิจารณาความตายของท่านแล้วใจก็เออหืมอาถรรพ์แล้วอาถรรพ์เน่ยอยากจะตายอย่างท่านแล้วอันนี้มันไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่อารมณ์ของมรณานุสติแต่ปรารถนาไหมตั้งจิตปรารถนาเมื่อไหร่น้อจะมีสมุดเฉท่า ม, มรณะอธิษฐานดิให้ได้สมุดเชท่า ม, มรณะความขาดไปของนาบรูปแล้วไม่มีการเกิดต่อไปทุ้่หวังนะนะปฏิจจสมุบาทจะได้ขาดทิจะได้ไม่เกิดสืบต่อไมชาติชาติาตนี่ยแหละนะกะขะกะขยามมรณะ ความตายที <uckle head S 1> ่สึ้นสุดลงในภพหนึ่งหนึ่งเอ๊ะทำไมเรียกชาติชาติกะขยะมรณะคือความขาดในภพหนึ่งหนึ่งเหมือนอะไรชีวิตติณฑยุปัจเฉท่ามรณะเหมือนกันเนี่ยเหมือนชีวิตติณฑยุปัจเฉท่ามรณะความขาดลงของรูปปัชีวิตและนามชีวิตในภพหนึ่งหนึ่งเหมือนกันเลยเนี่ยอันเดียวกันอันนี้ที่เป็นอารมณ์ของมรณานุสติด้อันนี้เป็นดะแต่ความ สิ้นสุดลงในภพหนึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์เนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวอะไรครัองค์ธรรมเขาคืออะไรเนี่ยชาติ ก, กะขยามมรณะเนี่ยหมายถึงรูปประชีวิตและนามชีวิตที่ขาดลงในภพหนึ่ ง, ห น, งนนนหนึ่งเป็นเกณฑ์เนี่ยเอาภพหนึ่งเป็นเกณฑ์แต่เอาตัวขาดแล้วไม่สืบต่อนะภพนั้นหมดไปเลยเนะไปสืบต่อภพใหม่ไอ้นีน่อันนี้เป็นชีวิชีชวิตตินธิรปรเชษฐามรณะก็เรียกอุปปักขมมรณะนี่ความตายที่กําหนด อายุที่ยังไม่สิ้นอุปัตต์กามะมรณานี่หมายถึงอะไรเนี่ยกรรมก็ยังไม่สิ้นแต่ความตายโดยสายความพยายามของตนหรือของคนอื่นอันนี้เป็นอุปเฉศกกรรมมืออันนี้คนอื่นพยายามให้เราตายได้ไหมพยายามเองได้ไหมพยายามเองเออมีอยู่ลายหนึ่งนะตอนนี้ก็เราฟ้องร้องกันในวังนั้น ไ, ไม่รู้ผลจะมาไงไม่รู้เขาต้องการตายอะ ฟอ้ฟองสองศาลกคือทรมานมา10บกว่าปีเงี้ยนะพอสิบกว่าปีก็ปรารถนาตายก็ตายไม่ได้สักทีลักษณะอย่างนี้เป็นอุปเฉถากะกรรมนะเป็นอุปักกะมรณะนะเป็นอุปักกะมรณะนี่ตายเพราะพยายามด้วยตัวเองพยายามไอพยายามแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วยังไม่พอนี้คนอื่นยังต้องมาพยายามอีกเออไปพูดถึงความตายตรงนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการ เขาจะเริ่มฆ่าแบบใช้ยาใช้ยาฉีดแต่ก่อนก็คือใช้ปืนยิงใช่ไหมพวกนักโทษเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาจะใช้ยาฉีดเลยพอใช้ยาฉีดเนี่ยเขาจะใช้ยา3ามชนิดลำดับแรกจริงๆคือเขาจะปล่อยน้ําเกลือก่อนก่อนเนี่ยมันจะมียา3มชนิดก็จะกดสวิกหนึ่งแล้วจะมีคณะกรรมการคอยดูอยู่เห็นหมดแล้วนะเห็นเห็นคนเห็นนักโทษนอนอยู่อย่างเงี้ยจับมัดเลงต่างเหล่านี้และเห็นยาเข้าไป น้ำยาวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดนั้น่แล้วก็ให้ญาติที่ถูกคนนี้ฆ่าหรือลักขมโมยแรง่างเหล่านี้สามารถมาดูได้คือใครเขาสามารถแจ้งความประสงค์ไปดูได้ไปดูการตายเพื่อจะให้มีความรู้สึกว่าสาเกจใจที่ทำกอมเงนินนึงว่าคนชั่วเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะมีห้องไว้สำหรับดูมีดูผ่านกระจกมาแล้วพวกเพชฌาตเนี่ยแต่ก่อนจับปืนใช่ไ ปัจจุบันก็มาจับเข็มแล้วก็ใช้ยาเหมือน เ, เออปักเข้าไปใน เ, นเส้นเลือดแล้วก็มีหน้าที่คอยปล่อยลําดับแรกคือปล่อยน้ําเกลือปล่อยให้เส้นเลือดมันขยายมันจะมีไฟสีอยู่ไฟสามสียนยถ้าหากไฟสีนี้ขึ้นปุ๊บก็แปลว่าน้ําเกลือกําลังเดินพอพอน้ําเกลือเดินเข้าไปเนี่ยว่าคนจะกระตุกแล้วถ้าถ้าก็เดินน้ําเกลือมากๆเริ่มกระตุกก็คือพอหลังเบสเซ็ตก็คือว่า เดินยาสลบใช่ไหมพอไฟนี้หมดปุ๊บก็กดสวิตช์ที่สองก็เดินยาสลบยาสลบก็เข้าไปอย่างแรงนะแล้วหลังจากยาสลบเบสเสร็จต่อไปก็เป็นยาพิษอะไรทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วไอ้แล้วไอ้นักโทษเนี่ยตายเข็มไหนอ้าวตายเข็มไหนเข็มแรกตายไปแล้วตายตายเข็มแรกน้าเกลือมันมากจัดเขาบอกว่าตาตาตายแต่ ตายแต่เข็มแรกเลยตายแต่อน้ําเกลือเลยบอกเออถ้ามามองในรักษณะนี้คือความพยายามของบุคคลอื่นถ้าอย่างนี้นะไม่ใช่ความพยายามของนี่ความพยายามของบุคคลอื่นเขาบอกขอไปดูได้ออก็ว่ากก็มีกันเขาเคยถามนักโทษว่าเออนี่ชอบการตายแบบไหนทำไมก่อนที่เขาจะทําราบอเขาบอกในบรรดานักโทษประหารที่เหลืออยู่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้เขาบอกยกมือขอตายแบบฉีดยากันเหมืนแต่มีอยู่คนหนึ่ง ย่อว่าขอตายแบบใช้ยิงพิปืนยิงเขาถามว่าเหตุผลเขาบอกมันดีเขาบอกศาสตรเขาใช้ว่าศาสตใจดีเขาบอกนั่นเาบอกสตใจและคนที่ถูกยิงเนี่ยเท่าที่สังเกตนะไอ้ที่ว่าผู้คุมเขาพูดเนี่ยนะเวลาให้กินอาหารก่อนตายเนี่ยนะให้กินอาหารอย่างดีให้อะไรเนี่ยเขาไม่กินเลยถ้าอย่างเราจะโดนฆ่า กินเสร็จก็จะถูกจับเอาไปยิงเป้าเนี่ยเราจะกินแม่อาหารกินไม่กินไม่เดี๋ยวเกิดเส้นเลือดไม่ไม่ใช่เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเส้นเลือดไม่ไม่ไม่นั่นแหละไม่ขยายเลยมีปัญหายาไม่เข้าอยู่เขาคงอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่แต่แต่ไม่เขาใช้ทางทางเข้าเส้นเลือดหมดเลยเขาบอกว่าอาหารให้กินอาหารก็ก็ก็กินไม่ค่อยได้ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีพระมาเทศนะมีพระมาเทศหลังจากนั้นก็จะพยุงไปแล้วก็บอกว่าโดยส่วนมากจะเก่งกล้าขนาดไหนก็แล้วแต่พอจะเข้าหลักประหารแล้วเดินไม่ได้เลยต้องลากไปทั้งนั้นแล้วก็ปัสสาวะเ อ, อือ ย, นนยเลยเอือยไหลอยู่บางคนไหลเลยกลัวนะมันนึกถึงอย่างนี้ถามว่าเชื่อไหมว่าเราเคยถูกฆ่าแล้วก็จักไปโดนฆ่าในอนาคต ตายเพราะความพยายามของบุคคลอื่นและตนเองพยายามนี้เป็นอุปเิเฉตกักรรมเนี่ยสระสะมรณะคือความตายที่กำลังที่กำหนดอายุและกรรมถ้าหมดอายุและกรรมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอายุก็หมดกรรมก็หมดพอดีเช่นว่าเกิดมาในเงื่อนไขของ75ปีแล้วกรรมที่ทำมาก็เหมาะสมแก่การที่จะอยู่ได้75ปีมันหมดอย่างี้ลักษณะนี้ก็เรียกหมดพร้อมน อายุขยามมรณะคือความตายที่กําหนดอายุแม้ยังไม่สิ้นกรรมก็ตามไอ้ตรงนี้แปลว่ากรรมยังเหลือแต่หมดเงื่อนไขของอายุเสียก่อนป<ม>ุญญขยามมรณะก็คือความตายที่กําหนดเอาบุญและกรรมแม้ว่ายังไม่สิ้นอายุก็ตามอาจแปลว่ากรรมหรือบุญนี่เป็นตัวก <owe ğin S 2> ําหนดกรรมและบุญเป็นตัวกําหนดเอ๊ะทำไมบุ ญ, บ, ญบุญเป็นปัจจัยกการอยู่หรือไม่อยู่ด้วยใช่ไหมเป็นหรือไม่เป็นบุญนี่เป็นปัจจัยการอยู่หรือไม่อยู่ด้วยใช่หไหม มันเป็นอย่างนี้ไงอย่างเช่นว่ากุศลกรรมเนี่ยมีกําลังส่งมาเพียงห้สิปีเนี่ยไอ้บุญมันหมดกําลังลงใช่ไหมมันตายเพราะบุญหมดกําลังส่วนประเภทที่บาปบาปหมดกําลังลงก็คือว่าบาปส่งผลมาเท่านั้นแล้วบาปบาปหมดกําลังลงแล้วก็ตายระหว่างบุญหมดกําลังกับบาปหมดกําลังอันไหนดีก็เกิดอันไหนอันไหนดีก็เกบาปหมดกําลังกับบุญหมดกําลังเนี่ยไหนดี ถ้าบุญหมดกําลังก็คือตายเนาะที่จริงนะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ต่อจากบาปหมดกําลังหรือบุญหมดกําลังนั้นจะมีบาปต่อหรือบุญต่อใช่ไหมแต่ว่าถ้าบุญหมดกําลังอันนั้นก็บ่งบอกถึงว่าเอออาจจะถ้าระลึกจุดดีได้อันนั้นก็จะดีถ้ากลุ่มบาปหมดกําลัง น, นี่ก็ไอ้ขวถึงแต่จริงๆแล้วนี่ยที่จะต่อนั้นมันไม่รู้นิมิตอะไรจะต่อ ในปฏิจจุบานคำว่ามรณะนี่หมายเอาอะไรหมายเอามรณะประเภทไหนในก้าอย่างนี้เอาสมมุติมรณะชาติกะขยามรณะอุปปักกรมมรณะสรามรณะอายุขยามรณะและปุญญกขยักกรรมมรณะเท่านั้นเอากี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกอย่างเนี่ยแต่ ตั้งแต่ชาติขยามมรณะจนถึงปุญยขยามมรณะทั้งห้าอย่างนี้จัดอยู่ในสมมุติมรณะนั่นเองเอาสมมติมรณะเป็นเกณฑ์นะเอาสมมุติมรณะเป็นเกนเนเมมณฑ์อันไหนที่ที่เป็นสมมุติมรณะนั่นแหละนะสมมุติเอาเอ า, เอาตรงนั้นทีนี้ชาาและมรณะที่กล่าวเนี่ยถามบอกว่ามีสภาพเป็นอนิจาหรือเป็นอนิจธารม ไอ้ชลาลมราณานี่เป็นอนิฐารมอยู่แล้วใช่ไหมเป็นอนิฐารณมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไอ้ชา ร, ราลมรณาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่ก็ต้องประสบนี่ยนะถามว่าหนทางที่จะหนีชา ร, ราลมรณะมีไหมถ้าสายปฏิจจสุบาล้วไม่มีใช่ไหถ้าเดินตามสายเนียถ้าสายเกิดไม่มีอย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าถ้าบอกว่า ทมที่เป็นเครื่องสลัดออกจากกองทุกคือชลาและมรณะเนี่ยจากปรากฏเนี่ยที่พระโพธิสัตว์ท่านดำหลีเนี่ยดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรน้อเลมีอยู่ชราและมรณะจึงมีบอกอะไรเรามีอยู่ชรามรณะจึงมีใช่เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชลาและมรณะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นพระพุทธเจ้ามีโยนิโสมนัสการในการใส่ใจโดยแยบคาย ไอ้ความใส่ใจโดยแยบคายคือความฉลาดคิดนะนะตัวโยนิโสมนสิการนี่นะจึงรู้ด้วยปัญญาอันชอบว่าชาติแลมีอยู่ใช่ไหมเมื่อชาติมีอยู่ชาาเลมราณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาลาเลมราณะเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่ออะไรน้อแลมีอยู่ชาติจึงมีแล้วก็พบจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีภัทระ สรายตะนะจึงมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะเพราะใส่ใจโดยแยบคายของเรานั่นเองจึงรู้โดยปัญญาชอบว่าเพราะบัญญัเพราะวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรโนาแลมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอะไรเพราะใส่ใจโดยแยบคายแล้วเนี่ย จึงได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่าเพราะนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเห็นไหมนามรูปก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณนะไม่ใช่ไม่เป็นนะเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิญญาณนั่นแหลได้ได้กลับแล้วเพียงเท่านี้ไม่ได้พ้นไปจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกย่อมเกิดนามรูปใช่ไหมที่เกิดเนี่ย การเกิดขึ้นของปฏิสนธิวิญญาณใช่ไหมก็ทําให้มีนามรูปเนี่ยไอ้นามรูปเกิดขึ้นมาไอ้นามรูปก็ไปกลับไปเป็นปัจจัยกับวิญญาณได้ไหมเอาได้อีกแล้วบอกว่าไอ้ความเกิดขึ้นของนามรูปก็คือโลกย่อมเกิดความแก่ของนามรูปก็มีความแก่ความตายความจุติและความอุบัติกล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสราญตนะ เพราะสราญตระนัเป็นประจายจึงมีผัสสะเป็นต้นนะ่ยนะความเกิดขึ้นอย่างกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังในการก่อนว่าเฮให้เกิดทุกข์ดังนี้นะเห็นไหมพระพุทธเจ้าแสดงปฏิจจสมบัตไม่ใช่แสดงในยะอนุโลมอย่างเดียวใช่ไหมแสดงปฏิโลม ดูก่อนพลิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้เมื่ออะไรน้อแล้มีอยู่ชรามรณะจึงไม่มีเออจะทํายังไงอชาามรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาามรณะจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้โดยปัญญาว่าเพราะชาติไม่มีไหชรามรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับเราได้มีความคิดอย่างนี้เมื่ออะไรน้อแลมีอยู่ชาติจึงไม่มี พบจึงไม่มีอุปาทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาออสระยอดน้ไม่มีน้ำรูปไม่มีเพราะอะไรดับนาำรูปจึงดับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้โดยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนาำรูปจริงไม่มีเอถ้าน้ำเทาถ้าวิญญาณไม่มีน้ำรูปไม่มีจริงน เพราะวิญญาณดับนามรูปกระดับดูก่อนที่เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรเนาะแล้วไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเราได้ใส่ใจโดยแยบใครเหล่านั้นจึงรู้โดยปัญญาว่าเพราะนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับนี่แสดงสองแสดงระหว่างวิญญาณกับ น, นามรูปนะเชี่เห็นตรงนี้กันนะเพราะได้มีความคิดว่าบอกว่า เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่ามรคนี้เราได้บรรลุแล้วด้วยปัญญาเครื่องตรัตตรูคือนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายะตะนาจึงดับเพราะสรายะตนาดับพัสสะจึงดับพัสสะเวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นพัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดอาญะตนะอาญะตนาเป็นปัจจัยเกิดสรายะตนาก็ดับใช่ไหม ถ้านามรูปดับสราเยตนาก็ดับถ้าสราเยตนาดับแหละภาษาดับไหมถ้าภาษาดับเวทนาดับถ้าเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับกรรมเป็นต้นก็ดับนะพบดับชาติก็ดับชรามรณาโศกกะเป็นต้นนเนี้ยความดับแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนะสาอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างเนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุ ญ, ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกเหตุให้ให้ทุกข์ดับเป็นต้นเนี่ยนบอกว่าพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบวะงั้นได้พบมรดกเก่าหนทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมาเขาเดินตามทางนั้นไปเมื่อกําลังเดินตามทางอยู่ พบคนพบนครเก่าแล้วก็พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าสะบกคลานีมีเชิงเทินนะล้วนหน้ารื่นลมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมาครั้งนั้นบุรุษนั้นก็จึงกราบทูลพระราชาหรือเรียนแก่อมาศบอกว่าขอเดชะพระองค์จงทราบเถิดว่าพระพุทธเจ้ า, ข, าข้าพระองค์เมื่อเที่ยวไปในป่าได้พบกับมรคเก่ามรคคือนทางนะ พ้นทางเก่าเนี่ยคนที่เ ค, ค น, กนก่อนเคยเดินไปมาฆ่าพระพุทธเจ้าได้เดินตามาพนทางนั้นเมื่อกําลังเดินตามทั้งอยู่ได้พบนครเก่าหลังจากพบนครเก่าก็าไปพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าสะโบกกรณีเชิงเทินล้วนน่ารื่นลมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมาเหมือ น, นทีนี้ขอพระองค์จงสร้างพระนครนั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระราชาเลือหมัดจึงสร้างเมืองนั้นขึ้น สมัยต่อมาเมืองนั้นเป็นเมืองมั่นคงสมบูรณ์ขึ้นมีประชาชนเป็นนั้นมากมีอนุษย์มนุษย์เกลื่อนกลนและเป็นเมืองถึงความเจริญไับู์แม้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายเราได้พบมรรคเก่าอะเรียมากที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้เคยค้นมาใช่ไหมหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จไป าาก็มรรคเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนเคยเสด็จไปนั้นเป็นชไหนะก็คืออริยมรรคมีองแปดพระพุทธเจ้าพบสัมมาทิฏฐิ ส, ส, ส, ส, ส, สัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมากรรมฐานสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสมาสมาธิอันประเสริฐนี้แลได้แก่อริยมรรคมีองแปดเลือกมรรคเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนเคยเสด็จไปเราได้เดินตามหนทางนั้นประเสริฐที่ประกอบด้วยอะไร สลัดออกเสียซึ่งชลาและมรณนะเออถ้าไปทางนี้อริยมรตมีองค์แทีนะเดินตามทางไปเนียเป็นทางที่สลัดออกจากชลาและมรณนะแต่ถ้าเดินตามปฏิจจสมบาทตามสายเกิดเนี่ยนะอันนี้เราจะเดินไปหาชลาและมรณนะเนี่ยที่กำลังเดินกันอยู่เนี่ยตอนนี้เราเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือเดินตามอะไร ถ้าเดินตามมัชชิมาปฏิบาัตาิเขาเรียกว่าออกชลาและมรณะนะบอกว่าอาริยมัตมีองค์8ประการอันเป็นทางเก่าเมื่อกําลังเดินตามทางนั้นไปได้รู้ชัดรู้ชัดซึ่งชลาและมรณะนะเนี่ยรู้แยกแยะชลาและมรณะนะได้ดังที่ได้ศึกษาขึ้นมาเนี่ยรู้ชัดซึ่งชลาและมรณะนะเหตุเกิดแห่งชลาและมรณะนะ อะไรคือเหตุเกิดของชลาแล้วมาและนะชาติใช่ไหมชาตินี่คือเป็นเหตุเกิดของชลาแล้วมาและนะความดับแห่งชลาแ ล, ะะละนะ้วมาแล้ะถ้าอะไรดับแตะชรามาและนะจึงดับชาติดับเพราะอะไรดับแต่ชาติจึงดับเนี่ยก็ไล่ไปตามระดับในลักษณะอย่างเนี้แล้วจะดับได้ด้วยอาการอย่างไรใช่ไหมต้องรู้ชัดในที่นั้นคือรู้แบบไหนเออรู้ยังไงคําว่ารู้ชัดเนะี่อรู้โดยปริญญาสามเนะ รู้ชัดนะรู้ด้วยยาตาปริญญารู้ด้วยตีรณปริญญารู้ด้วยปะหาหนะปริญญานะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเมื่อกำลังเดินตามทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการอันเป็นทางเก่าไปอยู่ได้รู้ชัดซึ่งชาติเหตุเกิดของชาติความดับของชาติแล้วก็ปฏิปทาถึงความดับของชาติสรุปอย่างนี้ชลาและมรณะนี่เอามา กำหนดลงอริยสัจสช่ลามรณะชลามรณะสมูไทยชลามรณะนิโรธชลามรณะนิโลทคามินีปฏิปทาชาติชาติสมูไทยชาตินิโรธชาตินิโลธคามินีปฏิปทาภาวะภวะสมูไทยภาวะนิโรธภาวะนิโลธคามินีปฏิปทาแล้วก็อะไรอุ ป, ปาทาน อุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาตันหาตันหาสมุทัยตันหานิโรธตันหานิโรธคารมินีปฏิปทาเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนา น, นิโรธเวทนา น, นิโรธคารมินีปฏิปทาภาษาภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธคามินีปฏิปท า, า, า, า, า, าแล้วก็อะไร สระอายตนาอายตนาสมูไทยอายตนะนิโรดอายะเนโรธ่าขาไม่มีปฏิบทานามรูปนามรูปสมูไทยนามรูปนิโรดนามรูปเนโรธ่าามินีปฏิบัติทาวิญญาณวิญญาณสมูไทยวิญญาณเนโรดวิญญาณเนโรธ่าามินีปฏิบทาสังขารสังขารสมูไทยสังขารนิโรดสังขารนิโรธ่าขาไม่มีปฏิบทาอวิชาอวิชาสมูไทย อวิชานิโรธอวิชานิโรทคามินีปฏิปทาอาสะวะอาอสะวาสมุทรไทยอาสะวานิโรธอาสะวานิโรทคามินีปฏิปทาถ้าแสดงปฏิจจสมบาทเลียนปฏิจจสมบทัทลงอริยสัจอย่างนี้นี้เขาเรียกว่าอย่างลงสู่สัจจสี่ได้เอาไปเอาไปตรึกบ่อยๆนะนี่เป็นอย่างนี้ชรามรณะคืออะไรชรามรณะเป็นทุกข นัตัวชา ร, ารามรณะนี่เป็นทุกข์ฉลามระนั้นสมุทัย น, นี่คือเหตุให้เกิดชาราโมระนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์มีตันหาเกี่ยวเนื่องด้วยมีชาติเกี่ยวเนื่องด้วยการกลุ่มตันหากลุ่มสมุทัยทั้งหลายเนะี่ยโดยเฉพาะชาตินี่ไหมอันนี้เป็นสมุทัยของชาราโมระน่ะชารามระนันี่โลดนี่คืออะไรฉลารมระนั้โลดนี่คืออะไรทัานความดับ นิพพานไงนิพพานเนะี่ยเป็นความดับชราและมรณนะชรานิโรธาคารมนีนีปฏิปทาอาริยมรตมีองแปดไงปฏิปทาที่จะให้เข้าไปดับข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าไปดับชราและมรณนะใช่ไหมชาติชาตินี่เป็นทุกข์เลยทุกข์กษัตริย์ชาติสมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ชาตินิโรธความดับทุกข์ชาตินิโรธาคารมนีนีปฏิปทา ปฏิปทาถึงความดับทุกเนี่นะปฏิปทาถึงนิโรดนั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี่เป็นอย่างนี้นะก็พยายามไปรอบรู้อย่างนี้ให้มากถ้ารอบรู้อย่างนี้ให้มากแล้วชื่อว่าท่านบูนั้นเริ่มเข้าใจฉลาและมรณะแล้วเข้าใจปฏิจจสุบาท์นั้นปฏิจจสุบาทนั้นจะต้องกําหนดลงอริยสัจได้ถ้าศึกษาปฏิจจสุบาทแล้วลงอริยสัจไม่ได้ ขันพล น, นั้นศึกษาผิดพลาดแล้วผิดพลาดเข้าใจ น, นะนะนี่เป็นอย่างนี้วินิจัยลักษณะเป็นต้นของชราคันทะปริปาการขณะมีความแก่ของขันห้าเป็นลักษณะอันนั้นก็เห็นความแก่งงอมของอินทรีย์ของขัน น, นะนะลักษณะมรณูปัญญะนราษามีการนำเข้าไปใกล้ความตายเป็นกิจถามว่าใครเนานำนำตัดโลกทั้งหลายให้เข้าไปหาความตายนะ่ย ใครเป็นตัวนำชรามรณะเป็นตัวนำเห็นไหมเป็นตัวบีบถึเป็นตัวบีบเข้าไปใกล้บีบเข้าไปใกล้ความตายนะเป็นตัวบีบเข้าไปใกล้ใกล้ความตายตัวชราเนี่ยตัวชราเนี่ยบีบเข้าหาความตายนียมันเหมือนอะไรดีเนี่ยเหมือนอะไรมันเหมือนไอ้ตัวชราเนี่ยไอ้ตัวชรามันเหมือนกับว่าก้อนหินใหญ่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่มันมันกลิ้งลงมาซึ่งซึ่งเราไม่มีทางหนีมรณะได้ ถ้าถึงเมื่อไรก็มาล้หน้าถ้าไอตัวชะลาที่มันเริ่มกลิ่งเข้ามาเนี่ยกลิ้งเข้ามาบทขยี้สัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่รู้หรือนี่คือนักโทษประหารทั้งนั้นในนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าตอนเนี้ยนักโทษประหารกําลังนั่งปรึกษากันเอ <c oughs> จริงๆ <c oughs> พวกเราเป็นนักโทษประหารบทที่ยังถูกตัดสินว่าที่ยังเนี่ยถูกแล้ว <c oughs> ถูกตัดสินแล้ว <c oughs> เขาบอกเป็นนักโทษประหารที่มีอาจารย์เขาบอกเน มีครูไงมีพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีนักโทษประหารที่มีพระพุทธเจ้าก็เลยมั่นใจว่าเราจะต้อนพ้นชลาและมรณะให้ได้สลัดออกจากชลาและมรณะให้ได้ตรงนี้มั่นใจตรงนั้นน่ยคือยังอุ่นใจอยู่ว่ายังอุ่นใจอยู่นิดนิดว่าสักวันหนึ่งไอ้ตรงนั้นก็เลยนแต่บางกลุ่มไม่ได้คิดแบบนี้นะคิดว่าเอ้ยเราอีกนานเราอีกนานเราอีกนานเนี่ยไอ้คิดยางไงนะเครคิดแบบนี้ม เรานานใช่ไหมแต่แท้ที่จริงเราไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยทุกที่มีเป็นปัจจัยแกมมรณะได้หมดเลยโยพันนะวินาสะปัจจุปถานามีการทำลายไวที่ดีเป็นผลไวที่ดีอ่ะเข้าหาไวเสื่อมนั่นเองนะในในในกี่ไวเดียวสิบไวนะมันดามนาทศกาวไวไวอ่อนเนี่ยต่อมาถูกทำลายหรื อ, อยังถูกทำลายแล้ว คิดดาทศากาวัยก็คือวัยสนุกก็ถูกทำลายไปแล้ววันณทศากาวัยวัยงามก็ถูกไปแล้วพรรธาศากาวัยวัยที่มีกำลังก็ถูกไปแล้วปัญญาทศากาวไวไวมีปัญญาก็จะหมดแล้วบางคนเนี่ยบางคนก็หมดไปแล้วหานิททศากาวัยก็คือวัยเสื่อมห้าสิบหกบเนี้นนะปรภรธาศากาวไวคือวัยที่เริ่มโคง้ง วางกะทัศกาวไว้ก็คือไว้ที่กายโคงย้งแล้วไม่ใช่เริ่มโคง้งแล้วนี่โค้งจริงๆอนะโมมูหะทัศกาวไว้ก็คือไว้หลงสยนะานาทัศกาลไว้ก็ไว้นอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมาอีกตัวชลาเริ่มทําลายไว้เหล่านี้ไปตามลําดับนี่ลักษณะนี้มันมีการทําลายไว้เนี่ยเป็นลักษณะมีการทําลายเป็นลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้ทําลายไว้ที่ดีอะ สมัยก่อนเราก็ปรารถนาวนัยในวัยอ่อนวัยสนุกวัยงามใช่ไหมไวัยมีกำลังวัยมีปัญญาเนี่ยเราปรารถนากันอยู่4 5ไวก้กวัยแ่นี้ก็แปลว่าตั้งแต่1ปีจนถึง50ปีว่างั้นเถอะไปถึง50ปีจาก1ปีถึง50ปีเนี่ยเออยังพอกระฉับกระเฉงยังพอที่จะชัดเจนกันอยู่หมายถึงคนไม่มีโรคนะไม่มีโรคเข้าแทรกซ้อนในระหว่าง50นะแต่ถ้าหาก หลังจากห้าสิบไปแล้วเนี่ยอืหเริ่มเสื่อมแล้วนะมันก็จริงๆมันทําลายทุกทุกขณะเลยจริงๆถ้านับอย่างนี้นะถ้านับเป็นปีปีอย่างนี้ก็ดูช้าไปนะจริงๆต้องมาหารเป็นวันต้องมาหารเป็นวันวเราจะเห็นจุดเสื่อมเยอะต่อไปถ้าบอกว่ายัางยมม่อมหมูเหลือกี่ปีนะไว้เสื่อมจะถึงอ่ะแล้วสี่ปีใช่ไหมปีหนึ่งมีกี่วันสามรอยหกสิบห้าวันใช่ไหม ถ้าสี่ปีจะกี่วันถ้าถ้าถ้ า, ถาไม่ถึงสามร้อยกว่าวันนี่ยไม่ก็ปีหนึ่งสามร้อยกว่าวันใช่ไหมพันกว่าวันน่ยเหลือห น, นึ่งพันกว่าวันก็นั่งนับไปเห็นะนี่เราถ้าใครเหลือเจ็ดร้อยเหลือพันกว่าเนี่ยก็ไปเอาตัวเลขนั่นก็ว่าแล้วพอเลยพอเลยพอข้ามวันไปก็เอาออก ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นความสะดุ้งสะเทือนโอ้โหจะหมดแล้ววัยปัญญาจะหมดแล้วต่อไปจะเข้าไว้เสื่อมแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่หกสิบไปไงตั้งแต่หกสิบไปเออแต่ห้าสิบไปไหมห้าสิบไปไงไวัยเสื่อมก็ก็เอาไป <ว S 1> <ม><ว>เขียนแม่ก็ดูบอกแม่วัยของคนเรามันมีอยู่สิบวัยนะแม่นะก็เข<อ>ียนให้น้องสาวก็ดูนึกถึงตนเด็กว้ยนะ ปริป role, language, to to ัจจมาณปัจรูปปัทฐานามีรูปกำลังแก่เนีเป็นเหตุใกล้นั่นเหตุใกล้ของเขาคือรูปที่กำลังแก่ดูนะพยายามสํารวจบ่อยๆก็แล้วกันแต่อย่าสำรวจแบบเข้าข้างตัวเองนะดูถ้าวินิจฉัยลักษณะเป็นต้นของมรณะก็คือจุติลักขณังมีการย้ายจากพบที่อยู่เป็นลักษณะวิโยคารสังก็มีการจากสิ่งที่เคยพบเห็นเป็นกิจ จากหมดเลยนะสิ่งที่เคยเพบเพีนเะน่จากหมดแล้วเป็นกิจเป็นเป็นการงานของเขาคติวิปปาวาสะปัจจุปฐานนางก็มีการย้ายที่อยู่จากพบเก่าเป็นผลปริพัชมานะนามรู ป, ปะปะัจจุฐานนางมีนามรูปที่กำลังดับเป็นเหตุใกล้ความดับของนามรูปเป็นเหตุแห่งตายนะเป็นเหตุแห่งความตายถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ว่า ชาติปัจจญาชรามรณังเนี่ยอภิธรรมนัยไม่มีปัจจัยส่งเคาะโดยเฉพาะเพราะชาลาได้แก่ถีติขนาดของน้ำและลูกมรณะก็ได้แก่พังค ข, ขนาดของน้ำและลูกแต่โดยสุดตันนายมีปัจจัยส่งเคาะได้เหมือนกันคือชาติเป็นปัจจัยแก่ชาลามรณะด้วยหน้าปัจจัยหนึ่งนะปากตูปนิสยปัจจัยตรงนี้เขาถ้าโดยสุดตันนายนี่ไม่ได้เอาขณะถีติขนาดกับพังค ข, ขนาดใช่ไหม แต่เอาขนาดของความแก่งอมของขันเป็นต้นเนี่ยนะความแก่งอมของขันของอินทรีย์ความโค้งงอของสรีระทั้งหลายเนี่ยเพราะเป็นปกตูปปิยัจจุบันของชาตินะชาตินั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยในฐานะเป็นปกัจจุบันปัจจัยเขาบอกเพราะการเกิดมาใช่ไหมเพราะการเกิดขึ้นของขันใช่ไหมจึงมีชาราจึงมีบารณะในภพหนึ่งหนึ่งได้ใช่ไหมการมี สมมุติชาลาเป็นต้นเน่ยนะสมมุติชาลาเป็นต้นเน่ยนะในภพหนึ่งหนึ่งแล้วมีมรณะเป็นต้นเนี่ยในภพหนึ่งหนึ่งเป็นต้นได้นั้นก็เพราะอาศัยชาติเป็นปกตูุบันนิสยปัจจัยถ้าไม่มีชาติเป็นปกตูุบันนิสยปัจจัยแล้วคนแก่คนนั้นก็ไม่มีคนคนนั้นตายก็ไม่มีฉะนั้นอาการที่ฟันหักหนังเหยื่อย่นสรีระโค้งงอเนี่ยนะผมงอกเนี่ยนะ อาการตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเศร้าหมองครัมขาเนี่ยอาการที่มีอยู่อย่างนี้มันมีปัจจัยมาจากชาติเป็นปกตูปนิสยะปัจจัยอุปการะแก่การโค้งงอการแก่งอมตลอดถึงการตายการย้ายพบเนืการ ย, าย้นะ า, รยายพบของท่านบุญนัน้นี่เป็นอย่างนี้นะประการต่อไปนี่คือชไอชรามรณะนนี่เป็นอย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ใช่ไหมถ้ากําหนดชรามรณะอย่างนี้ก็กําหนดทุกขสัตย์ได้ถ้ากําหนดเหตุเกิดของชรามวรณะที่ได้ปะกตูววนิสยปัจจัยอย่างนี้ก็กําหนดอะไรสมุทยัยศาสตร์จากของฉรามรณะได้ถ้าเห็นเห็นคุณเห็นคุณของความดับของชรามรณะอย่างถาวรคือจะไม่ไปแก่ไปตายในอนาคตเนี่ยและจะไม่ไม่เครียด ต่อการที่จะแก่จะตายในอนาคตใช่ไหมคือไม่ อ, อาัยอววร์ไม่เ อ, อาลอวัยอววร์ขันหัวงั้นถอไอ้ชรามรณะนี่เป็นทุกข์เนี่ยถ้ารอบรู้ว่าเป็นทุกข์เห็นชรามรณะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เฮ้ย ไ, ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่อาตานเนี่ยเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อไหมท่านผู้นั้นจะหาอะไรหานิพพานจะหานิโรธของชรามรณะอเออ ชลาโมลานะเนี่ยจะดับนะที่ไหนดับแล้วไม่เกิดฮนะกแก่จะแสวงหาชรามรณะที่ดับแบบท้าววอลแล้วไม่ต้องการดับชรามรณะแบบตามที่มันเป็นใช่ไหมสแสวงหาพระนิพพานก็จะจิตนั้นก็จะน้อมไปหาอะไรนิพพานนิพพานเป็นอะไรเป็นวัตถุเลิศไหมเป็นวัตถุนเลิศนี่ถ้าเป็นวัตถุเลิศคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไง สัตว์เราใดใช่ไหมมีศรัทธาในวัตถุอเลิศคือศรัทธาในเขาบอกในบรรดาสังฆาธรรมอสังฆาธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิราคาธรรมคือพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมอเลิศใช่ไหมเป็นธรรมที่อเลิศเพราะสร้างความมัวเมาไหมขายดับตันหาสิ้นตันหาเนี่ยสิ้นราคาหมดความกำหนัดเนี่ยฉะนั้นสัตว์เราใดตั้งศรัทธาไวใ้ในนิโรธ ใชตั้งศรัท ธ, ธาไว้ในพระนิพพานในวิราฆธรรมสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าได้วัตถวนเลือมีวัตถวนเลือดเป็นว่าพวกเราได้ศรัท ธ, ธานิโรธบงังรึเยถ้าศรัท ธ, ธานิโรธก็จะไม่ปฏิบัติเพื่อหาชลาและมรณะนะทุกวันนี้ข้อปฏิบัติของเราเพื่อจะเอาอะไรเอาชราและมรณะนะไม่ได้ศรัท ธ, ธาในวิราฆธรรมคือนิโรธเพราะเราไม่เห็นคุณของการดับถาวรไง เมื่อไม่เห็นคุณของการดับอย่างถาวรก็ไม่ปฏิบัติในอริยมรรคอริยมรรคนี่เป็นสังคา ธ, ธรรมไหมเป็นหรือไม่เป็นอริยมรรคมีวงแปดเป็นสังคต ธ, ธรรมไห ม, ไมเป็นสังคตธรรมที่เลิศกว่าสังฆาธรรมทั้งหลายใช่ไหมในบรรดาสังฆา ธ, ธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคา ธ, ธรรมระดับปุสสนระดับไหนก็แล้วแต่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอริยมรรคนี่เป็นยอดของสังคา ธ, ธรรม ถ้าเราตั้งศรัทธาเป็นต้นไว้ในมรรคมีองแปดก็ชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นตั้งไว้ในวัตถุอันเลิศเมื่อปฏิบัติในอริยมรรคมีองแปดมีปฏิบัติมีข้อปฏิบัติที่เป็นอริยมรรคมีองแปดสัตว์เหล่านั้นก็จะชื่อว่าได้วัตถุอันเลิศผลอันเลิศก็จะเกิดขึ้นกับเขาเนะของสัตว์เหล่านั้นฉะนั้นถึงบอกว่ากําหนดต้องรอบรู้ชลาและมรณะเป็นทุกข์เหตุเกิดของชราและมรณะนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความดับของชรลาและมรณะคือนิพพานนี้เป็นความดับทุกข์ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนินโรธหรือนิพพานนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ใช่ไหมถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ก็จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในชราและมรณะจริงๆแต่ในปัจจุบันนี้พวกเราปากพูดเหมือนเบื่อหน่ายนะแต่ข้อปฏิบัติเราเบื่อหน่ายไหมไม่เบื่อหน่ายเลย เพราะการกระทำกายกรรมบัญญกรรมและมโนกรรมเป็นกรรมมโวฬาไหมแต่เป็นกรรมมพะวฬาที่ไม่ได้ออกจากชาติเมื่อชาตินี้ชราบมรณะก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้เจริญมรรคแแต่เรายังเดินตามสายปฏิจจะอย่างซื่อสัตย์เลยนะซื่อสัตย์กลัวปฏิจจะจะไม่จะขาดกลัวสายปฏิจจะจะขาดนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปความหมายของโสกะเป็นต้นนะนะ ความโศความเสียใจเชื่อโศกกะเนี่ยมีวจนะถามว่าโศชนทังโศกา โ, โกเนี่ยนะเขาแปลความบอกว่าความโศเชื่อโศกาะเนี่ยสภาพทำได้แก่โทมนนานัสเวทนานะความโศ น, นี่เอาเวทนาไหมเอาเวทนาที่ประกอบกับโทสามรุรจิตสองอีกในหนึ่งโศจันติกิตะปริราหังคัตชันติเอเตนาตินิโศโกเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความเศร้าโศก ถึงความเดือดร้อนเพราะอาศัยธรรมชาติได้ฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งความโศกเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงชื่อว่าโสกะโศกศได้แก่อะไรได้แก่โทมนานะเวทนานโะโศกศเนี่ยได้แก่โทมนานสเวทนาที่ประกอบกับโทสามูลจิตสองถามว่าโทสั่งโทมนานะเวทนาที่สัรงคดกับโทสามูลจิตสองเนี่ยปารบอะไรปารบอะไรมีอะไรเป็นอารมณ์จึงจะเป็นโทมนานะเวทนา ถึงจะเป็นโศกถึงจะเป็นความโศกความโศกนี่ปารลบอะไรเป็นอารมณ์อ่ถึงจะจัดว่าเป็นความโศกปารลอะไรมีอะไรเป็นอารมณ์มีอะไรเป็นที่อาศัย <c oughs> มีพยาศนะห้าอย่างเป็นอารมณ์เจ๊ะไมีพยัศนะห้าอย่างเป็นอารมณ์ใช่ไหมจ๊ะมียาติพยศสศนะไงความเสื่อมเฮงญาติเนี่ยบิดามารดาบุตรธิดาสา ม, มีภรรยามิตรสหายล้มตายเนี่ยไอ้ความเสื่อมตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ย เป็นปัจจัยเกิดโศกะเป็นปัจจัยเกิดอะไรโทรมานัสเวทนาพอพูดถึงโทมานัสเวทนาไม่ได้เน้นโทสะนะเน้นตัวเวทนาที่สหละคตกับโทสะใช่ไหมแล้วก็ปารพคะพยัศนะความพินาศแห่งรัพย์บซั์นี่รวมถึงยศ ด, ด้วยไหมถึงยศ ด, ด้วยนะทรับนี่ถึงยศยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยอะไรบ้างที่จะทําให้ทซั์เสียอคีภัยได้ไหมอุทกภยัยวาตภายัยจุระภยัยราชภายัย ถูกถอดยศปลดตําแหน่งเจ้าของสูญหายได้ไหมรับเนี่ยมันจะสูญหายไปด้วยเหตุอะไรหนึ่งตัวซับมันวิบัติไปเองสองเจ้าของเคลื่อนย้ายหนีจากทรัพย์นั้นใช่หไหมสรุปแล้วโศกเนื้อรคค่าพยะในความพินาศแห่งโรคภัยแค่เจ็บกลุ่มนี้คือโรคเบียดเบียนนี่เป็นปัจจัยเกิดโศกได้เป็นปัจจัยเกิดความโศกได้ประการต่อมาคือศีลอภยศนะถ้ากลุ่มศีลอภยศนะนี่คืออะไร รวมอะไรเนี่ยความพินาศแห่งศีลความพินาศของปาฏ ok ิโมกสังวรศีลความพินาศของอินเดเรสังวรความพินาศของอาชีวะปริสุทธิศีลความพินาศของปัจจะยาสันนิสิตาศีลความพินาศของเจตนาศีลเจตสิกศีลความพินาศของสังวรศีลความพินาศของอวีติกกมาศีลเนี่ยนะความพินาศของศีลเหล่านี้มันทําให้เสียใจเลยทำให้ความโศกเกิดขึ้นนะ ถามว่าคนจะไปได้สมบัติในมนุษย์ในสวรรค์เป็นต้นได้จะต้องมีอะไรมีศีลใช่ไหมถ้าคนรู้ว่าตนเองพลาดจากสมบัติเหล่านั้นแล้วจะโศกไหมเนี่ยโศกดิใช่ไหมความโศกความโทรมันัดย่อมเกิดยืนอยู่แล้วพอคิดว่าตนเองจะหมดหมดโอกาสเนะี่ยมันเหมือนคนบางคนอุ้ยจะได้เป็นพระราชาอยู่แล้วอยู่ตัวมาตนเองหมดโอกาสเช่นตาบอดซะก่อนพิการซะก่อนโอ้โศกมากฉันใด ถามว่าถ้าเสียศีลเนี่ยถ้าศีลไม่มีเนี่ยจะปรารถนามนุษย์สมบัติไม่ได้แล้วแล้วปรารถนาพระนิพพานได้ไหมเนี่ยไม่มีศีลแต่จ้านิพพานเนี่ยไม่ได้หมดโอกาสแล้วนี่เขาเรียกว่ามันโศกได้เพราะความวิบัติแห่งศีลทีนี้ประการต่อมาคือทิฏฐิพยาสนะความพินาดจากความเห็นคือมีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเดี๋ยว คำว่าทิฏฐิพยาสนานี่ต้องเข้าใจนะว่าอะไรพินาศทิฏฐิน่ยพินาศทิฏฐิอะไรพินาศสัมมาทิฏฐิน่ะพินาศแต่มิจฉาทิฏฐิน่ะเกิดแทนนี่โศกแน่นอนกรมเนี้ยกรมแน่นี้โศกสมาทานเข้าไว้อย่ากให้สัมมาทิฏฐิได้พินาศเลยอย่าให้เป็นเงนกลัวไหมกลัวสัมมาทิฏฐิจะพินาศไหมกลัวจะเห็นผิด กลัจะฟังว่าทําผิดตัวมันกลัวจะเข้าใจคําสอนแล้วก็ปฏิบัติผิดเลยถ้าผิดเนี่ยคิดว่าจะไปดีได้ไหมเอาท่านคิดว่าจะไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวทิฏฐิพยาสนะนี่ทิฏฐิอะไรพินาตไปสามมาทิฏฐิพินาตมิจฉาทิฏฐิมีสัจสตาทิฏฐิบ้างอุเฉททิฏฐิบ้างนิยนิยตามิจฉาทิฏฐิพวะอเยตุกาทิฏฐินาติกาทิฏฐิแล้วก็อะไรแล้วก็ อเหตุกาธิธินัติกาธิทิอักริยธิฐิทิทีเหล่านี้มาแทรกแทนมีนะในสมัยขั้งพุทธกาลสุนัขขตาริชวีมาบวชใช่ไหมพอบวชอยู่ต่อมานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้ทิพจักขูโอ้โหตัวเองดีใจมากใช่แปลว่าได้ฌานสมาบัตินะทิพจักขูจึงเกิดได้นะอยู่ต่อมาปรารถนาจะทาทิพโสตหูทิ พระพุทธเจ้ามองไม่เห็นอัธยาศัยไม่ไม่ไม่แนะนําพอไม่แนะนำาอ้ยตําหนิพระพุทธเจ้าว่า พ, ะพทะเจ้าคงรู้เท่านี้เป็นต้นหนักเข้านักเข้าศึกเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มเป็นอะไรทิฏฐิพยาสนะคือแต่ก่อนก็มีสัมมาทิฏฐิดีๆใช่ไหมแล้วต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยสุนัขคาตาลิฉวีเป็นต้นเนี่ยโอ้ยไปด่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นดา่าภิกษุสง์แล้วประพฤติ วัดของพวกเดรัลถีไปไปมาตุ่มพองขึ้นเต็มตัวโรคภัยไข้เจ็บอย่างกับผลมะกรูดผลมะนาวเนี่ะตุ่มขึ้นนะเพราะตำหนิภริรยาทั้งหลายเป็นต้นความโศกก็ตามมาหลังจากนั้นไม่พอเนี่ยหลังจากนั้นมีอบายทุกติวินิบาตนารกลองรับก็อีกดูมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะจากทิฐิในน้อยเพิ่มกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนให้ห้ามไม่ฟังว่ากันนะ จนกลายเป็นทิฏฐิโตแล้วก็ทําลายตัวเองโดยแท้นะอันนี้เป็นทิฏฐิพยาสนะความวิบัติของมิจฉาทิฏฐิเออขอความวิบัติของสัมมาทิฏฐิใช่ไหมความวิบัติของสัมมาทิฏฐิทําให้มิจฉาทิฏฐิเป็นไปนี่พยาสนะห้าอย่างเป็นไปด้วยลักษณะความโศกเป็นอย่างนี้ลักษณะความโศกนี่นะเกิดขึ้นเพราะสายพยัสนะหอย่างนี้เป็นต้นนะนะ นอกจากนี้ก็มีนะนอกจากพยาศะนะห้าเนี่ยอันโตนิ ช, ชานลักขโนมีการเผาอยู่ภายในเลยมีความแห้งใจเป็นลักษณะใจมันจะแห้งยังไม่ว่าความโศกนะ่ยสัตว์โลกมีความโศกทุกคนไหมมีใช่ไหมโศกกันทั้งหมดเนียกำลังยิ้มเยิมยิ้ ม, ม, มสักพัดเดียวโศกมันเข้าแล้วให้สังเกตดูจากแววตาเป็นต้ น, นนะนะสัตว์โลกจะมีความโศกเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะมาแทรกอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสวานะ่าไง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าเราเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาทาไมจึงแสวงหาความเกิดอยู่เล่าเราเป็นผู้มีความตายเป็นผู้มีความเก็บไข่เป็นต้นแล้วประการต่อมาเรามีความโศกเป็นธรรมดาแล้วทำไมจึงแสวงหาความโศกอยู่เราพระเจ้าดำริอย่างนี้จึงน้อออกจากความโศกก็เลยเออเราจะหาสิ่งที่ไม่มีความโศกเป็นธรรมดา อะไรคือไม่มีความโศกเป็นธรรมดานิพพานไม่มีความโศกเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็แสวงหาพระ น, นิพพานอย่างเรายังแสวงหาอะไรอยู่แสวงหาความโศกอยู่มีการเผาอยู่ภายในและมีความแห้งใจเป็นลักษณะเจโตปรินิชานะยะนราโยโสเนี่ยนะทำให้จิตเดือดร้อนเป็นกิจอนุโซจนะปจุปทานนมีความเศร้าโศกเนืองเืองตามความพินาศนี่เป็นผล น, นะ โทสะจิตุปท า, ป, า, าปัทภัตถานโนก็มีโทสะจิตเป็นเหตุใกล้โทสะจิตเป็นเหตุใกล้ของความโศกเอาวันนี้หมดเวลานี่ยเอาวันนี้ต่อนะครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของชาติเป็นปัจจัยเกิดชาราและมรณะชาติคือความเกิดหรือสภาวะที่ทำให้สังคัตธรรมเกิดมันมีสองในย่นะชาตเนี่ยชาตนั้นเป็น มีอยู่สองความหมายความเกิดกับสภาวะที่ทำให้สัมบยุต ธ, ธรรมนะเกิดส่วนชร า, านั้นได้แก่ความแก่ชราก็มีสองความหมายเหมือนกันความแก่กับคำว่าสภาวะทําให้เราสัตว์แก่ความแก่กับสภาวะที่ทําให้เราสัตว์แก่ใช่ไหมสองความหมายต่างกันไหมความแก่กับสภาวะที่ทาให้เราสัตว์นั้นแก่ความแก่นี่พูดไปถึงตัว แก่นั้นจริงๆเ่ยนะตัวตัวตัวชลาตัวชีรนังชรานั่นแหละส่วนสภาวะที่ทําให้เหล่าสัตว์นั้นแก่นั่นก็คืออันนี้หมายความว่าปัจจัยปัจจัยที่ทําให้ความแก่ปรากฏโสกกะคือความโศกคือความโศกนะสภาวะทําให้เหล่าสัตว์นั้นเศร้าโศกเศร้าโศกในที่นั้นคือถึงความเร้าร้อนใจ ความโศกนั้นก็คือความโศกกับสภาวะที่ให้เหล่าสัตว์นั้นเข้าถึงความโศกลักษณะของความโศกท่านให้ในย่ให้ความหมายเขาไว้บอกว่าโศเจนังโศโกบอกว่ามีความเศร้าโศกชื่อว่าโศกกะเนี่ยนะเป็นลักษณะนะมีความเศร้าโศกเนี่ยเป็นลักษณะหรืออีกใย่ในหนึ่งก็มีการเผาอยู่ภายในหรือมีความแห้งใจเป็นลักษณะไอสภาวะของความโศกเนี่ย ไอ้คว่าโศกนิดโศกหน่อยเนี่ยมันมีกันนะ่ถามว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีความโศกเป็นธรรมดาเราจะดูตรงไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาใช่ไหมเรามีความโศกเป็นธรรมดาเรามีสังกิเลตเป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยไอ้ความโศกเหล่านั้นให้สังเกต ด, ดูว่าในขณะที่สัตว์นั้นเกิดดีใจใช่ไหม พอความดีใจหายไปเนี่ยเดี๋ยวความโศกก็จะมาปิดเป็นระยะระยะก็วนะ่าไงคนเราเนี่ยถ้าโศกนานๆติดต่อกันเนี่ยมันจะความแห้งมันจะมากขึ้นใช่ไหมพอความแห้งใจมากขึ้นมากขึ้นน่ยในที่สุดจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นบ้าได้แต่ถ้าหากว่าความโศกเนี่ยมันโศกแค่ชัวช่วพรชั่วครูเนี่ยนะแล้วก็มีอย่างอื่นมาขั้นเป็นระยะระยะเนี่ย อย่างนั้นเขาเรียกว่าพอเป็นไปได้จัดโลกนั้นพอเป็นไปได้แต่ถ้าปล่อยให้ความโศกเกิดขึ้นติดต่อยาวนานในกระแสจิตนะ